มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวัค์มณสิการะลักษณะปัญหาที่แปดถามว่า โยนิสโสมนาสิกานั้นมีลักษณะอย่างไรสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามด้วยลักษณะแห่งโยนิสโสมนาสิกาว่าพันเตนาคเสณนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าหน้ า, าเกษนผู้ปรีชายานและโยนิสโสมนาสิกานั้นมีลักษณะอย่างไรพระนาาเกษนจึงวิสัชนาแก้ไขว่าโยนิสโสมนาสิกานั้น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 ดูราณะมหาบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสริงคารลักษณะอยู่นิโสมนาสิกานกับลักษณะปัญญานี้ถ้าจะเปรียบเป็นอันเดียวเหมือนเกี่ยวข้าวลักษณะชาวนาเกี่ยวข้าวนั้นเขากระทาประการใดอ่อโยมเข้าใจอยู่มหาราชะดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในมหายสวรรค์ชาวนาเกี่ยวข้าวนั้น